จบบทที่หกรรมในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาทพุทธธรรมฉบับปรับขยายต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห5บห้าขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพอีกดังนี้ครอบครัวเพตรานุรัตครอบครัวเฉลิมกลางครอบครัวเรืองสีรัตนอาภาอัตโตหิทนายยวงสุวรรณเรืองสีรักใครสุเทพสิริครอบครัวทีมสวยสวดมนชนะัยจันดา รอยเอกผดุงแสงทองสิริธรร่มโพพรเทพวิริยะอาชาลำไผ่ข้าชูมงคลรังเกจแก้วอนุภาพกอวมีเพียนสุภมาศบุญประเสริฐรอบรัวงามสุริยพงษ์น้ำทิพนัดประเสริฐกุลรอบครัวโทสกุลรอบครัวชัยรัตธิระวุฒสายมาแก้วอรไทยพวบกระโววิชาญมนทาทิพกุลและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพะาธานังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอริยะคุณจมรมผลดีกรกดาคมพุทธศักราชส5 6 5